เจือนพอพวกเราทุกคนในที่นี้มีใครยังไม่เคยฝึกเจริญสติมีไหมมีใครบ้างไม่เคยฝึน นะให้ใจเราอยู่กับสิ่งนั้นนะแต่ก็ไม่ใช่ว่าไปจดจ้องหรือว่าตั้งใจมากเกินไปหบางทนะีเราเคยไหมเวลาเราทำมาเราทำอะไรสักอย่างบนาะงทีเราตกไปอยู่กับตรงนั้นอลยลืมสิ่งรอบข้างนะลืมที่จะรู้รอบๆนะถ้าแบบนั้นเรียกว่าสมาธิ มันมากเกินไปนะการเจือนสติเนี่ยมันจะรู้ทั้งรู้นอกรู้ในพร้อมๆกันกนะารรู้ลายก็ไม่ใช่ว่าพอเรารู้ลายแล้วเราจะไม่รู้อย่างอื่นนะนอกเหนือจากพายนะั้นะได้ยินเสียงเสีย ง, เ, ยงเกิดขึ้นก็รู้นะลมกระทบสัมผัสก็รู้หรือที่จริงไม้แต่นะภาวะในจิตในใจ พอรู้นะนะนอกจากไป ร, รู้ตายแล้วใจตอนนี้เป็นอย่างไรนะปกติหรือว่าฟุ้สร้างสุขหรือทุกข์นะดีใจเสียใจหรือว่าเฉยนะถ้ามันเกิดขึ้นมาเราก็รู้นะการมีสตินะ่ะมันเป็นสภาวะที่ไม่ว่ามันอยู่ตรงคำตานคะำตานในที่นี้ไม่ใช่ว่าตางระหว่างดีกับชั่วอะไรแบบนี้นะ แต่ความเป็นการทือมันช่วให้เรารู้รอบนะสติในเป็นตาที่ทำให้เรารู้รอบตัวนะรู้ทั้งกายที่เกิดขึ้นนะแต่ทำอะไรก็แล้วแต่ก็รู้สึกนะหรือสิ่งที่เกิดขึ้นกระทบนะทา ง, ทา ง, งตามันจะมองทิ้งตาหรือว่าใจก็รู้สึกนะหรือว่าเกิดความคิดเกิดอารมณ์อะไรขึ้นมาในจิตในใจเราก็ ร, รู้ทัน สติเนะี่ยจะทำหน้าที่รู้นะรู้รอบนะรอบรู้ในใาย ใ, ในใจของเรานะแต่ถ้าเราไปรู้นะจ้องแค่ส่วนใดส่วนหนึ่งเนี่ยพราะนั้นไม่ใช่ไม่ใช่สติที่เป็นรู้ตัวทุกครอตะถ้าแบบนั้นสมาธิมันมากเกินไปเราก็นะต้องควันความตั้งใจนะขวัความแบบคำนอนะออกมาทมา เพราะงั้นถ้าเราไปกำหนดเจ็ดจ่องในแบบสิ่งใดสิ่งหนึ่งมากเกินไปมันจะไม่รู้ลนะ่อครับอันนี้แต่ก็อสังเกตดูนะหลายๆท่านเคยฝึกอยแล้วก็ก็สังเกตดูตอนที่เรารู้มันจมไปกับสิ่งที่รู้ไหมนะมันไม่รู้ลนะ่อตัวหรือเป่านะถ้ามันจมเกินไปนะก็ต้องก่อนนะผ่อนกันไปตั้งใจนะเสียบ้าง แต่บางทีถ้าขาดความตั้งใจเลยนะมันก็จะฟุ้งไปไกลนะมันก็จะฟุ้งไปยาวนะหรือว่าจมกับความคิดจนกับอารมณ์ไม่ได้เห็นความคิดไม่ไดเห็นอารมณ์อันนั้นก็เรียกว่าจมนะจมไปหรือว่าอินเกินไปนะอันนี้ก็เป็นทางสุดโต่งแบบหนึ่งนะนะทางสุดโต่งมันมีสองด้านอลไรนะด้านหนึ่งเป็นจ้องบังคับนะอีกด้านหนึ่ง ลืมตัวหลงตัวนะไปอยู่กับความคิดไปอยู่กับอารมณ์ต่างๆออกมาไม่ได้เพราะว่าสติที่มันรู้รอบๆ ร, รู้ด้วยความตื่นตาหรือรู้ด้วยความตั้งมัน่นเะนี่ยมันจะไม่เป็นกับทุกอย่างนะแต่มันเห็นนะอะไรเกิดขึ้นมากับกายกับใจเนะี่ยมันเห็นไดนะ้ตัวนี้หลนะเป็นติ๊กสำคัญ น, นะเมื่อเราเห็นเราก็เลยไม่เป็น ไม่เป็นเราจริงจริมันไม่เป็นเราเห็นกายเขาเคลื่อนไหวไม่ใช่ว่าเราเคลื่อนไหวนะอเห็นกายเขาเจ็บปวดเมื่อยะไม่ใช่เราเจ็บปวดเมื่อยอเห็นกายเขาทุกข์ไม่ใช่ว่าเราทุกข์เห็นใจก็เหมือนกันนะเห็นใจเขาคิดไม่ใช่เราเป็นผู้คิดเห็นจิตปรุงแต่งไม่ใช่ไปปรุงแต่งจิตไม่ใช่ไปห้ามความคิดไม่ได้ไปห้ามจิต มันจะเห็นนะั่นแ่ะเห็นเห็นอารมณ์ที่เกิดขึ้นนะแต่ไม่ไปจมกับอารมณ์เห็นความปรุงแต่งนะในจิตแต่ไม่ไปปรุงแต่งต่อนะนเะมื่อเราเห็นนะมันจะเหมือ น, ในใคล้ายถอนตัวเองออกมาเป็นผู้เป็นผู้สังเกตกานะร์ะทถ้าิตเป็นเหมือ น, ในใคล้ายเป็นผู้ที่สังเกตเหนะมือนเราทําวิจัยเหมือนเราทําทดลองอะไรเนะนะ ติ่งสําคัญของนักวิจัยหรือผู้ทดลองคือต้องเป็นกลางนะฮะไม่ใช่ว่าชอบหรือว่าชันนะเราต้องเป็นผู้แค่สังเก ต, ตความกฏการณ์นะตามเหตุปัจจัยที่ที่ทดลองนั้นนั้นถ้าที่เราจะศึกษาเรื่องของร่างกายเรื่องของจิตใจ น, นะนี้ก็เหมือนกันถ้าเป็นผู้สังเกตการณ์นะฮะไม่ใช่ว่าอันนี้ชอบอันนี้ไม่ชอบนะ สมบชอบฟุ้งร่านไม่ชอบนะเมื่อเราเกิดครากดการเนะี้ยมันจะเกิดความพอใจาอไม่พอใจครับนะเมื่อฟุ้งร่านเราก็พยายามที่ไปจัดการมำจัดฟุ้งซ่านนะไปกขผมไปบังคับไปหุหีบมันอันนี้คือจิตเราไม่ติดต่างรักนะหรือว่าถ้าสงกท่านสบายนะท่นเตินเราก็ไป สุขไปคอยใจกับมันอันนี้ถือว่าใจมันไม่เป็นกางแล้วนะอันนี้แต่บางทีมันก็ไม่ใช่ว่ามันจะเป็นกางตลอดการตื่นสตินะถ้าสติเราดีส ต, ติมันมั่นคงเนะี่ยมันจะเห็นจิเฉยนะไม่ชอบไม่ชังไม่สุขไม่ทุกข์ดูนะ ด, นะดูสิ่งสารที่เกิดขึ้นเป็นเพียงแค่อาการที่เขาสแสดงนะสแสดงอะไร แสดงปรากฏการ์ช่วงข่าวของทุกอย่างเลยนะอนะทุกอย่างที่เกิดขึ้นนะ่ะเป็นเพียงแค่ช่วงข่าวนะเอานิ่งง่ายหนะายใจเข้าก็ช่วงขาว่าวสัมผัสก็หายใจออกปนะวดเมื่อยก็เหมือนกันก็ชั่วงข่าวสัมผัส ก, ก็เปลี่ยนไปนะจิต ค, คิดนึกปรงแต่งก็เหมือนกันก็ช่วงขาวสัมผัส ก, ก็เปลี่ยนเรื่องคือว่าดับไป มันจะแสดงปรากฏการณ์ช่วครั้งชุกคราวให้เห็นแตนะ่ถ้าเราดูชัดๆนั้นะมันจะเป็นแค่ปรากการณ์ช่วขณะนั้นนะแต่ถ้าเราไม่เห็นเราไปเล่นด้วยนะ่ะมันจะยาวนะมันจะยาวคล้ายๆเหมือนกับหมาม า, ม า, มาเดียวมาล้อมาเล่นกับเราเราไปเล่นืนะ่อยเนี่ยมันก็อ่าเหมือนที่เขาบอกว่ามันเล่นกับหมามาเลียปากนะมันก็ ไปเรื่อยกับมันนะจิตของเราก็เหมือนกันนะถ้าเราไปปรุงแต่งไปได้วยความชอบด้วยความไม่ชอบนะมันก็จะยาวไปเรื่อยแต่ถ้าเราเฉยเฉยนะเราไม่ไปหยอกล้อไม่ไปเล่นกับมันนะแล้วก็ไม่ได้โกรธมัน น, นนะมองด้วยความเข้าใจนะเข้าใจเขาว่าธรรมชาติของจิตเขาเป็นแบบนั้นนะเหมือนกับเราเข้าใจหมาเขาก็เป็นแบบนี้แหละ หรือเราก็าใจเด็กนาะเด็กมันก็เป็นแบบนี้แหละถ้าเราก็้าใจจิตเข้าใจความคิดเขาก็เป็นแบบนี้แหละเมื่อเราเข้าใจเขามันจะเกิดความเย็นแล้วก็เขาเป็นแบบนั้นแหละความทุกข์มันไม่เกิดขึ้นนะแม้เขาก็อยากเป็นของ เ, าเ้าแบบนั้นแหละแต่ความทุกข์เนี่ยมันจะไม่เกิดขึ้นสิ่งสงาคัญจริงๆนะ่ะเราฝึกภาวนาะ ตื่นเพื่อเกิดความเข้าใจในะปากขัดแยที่เกิดขึ้นกับกายแต่ใจเนะี่ยเมื่อไรที่เราเข้าใจเมื่อนั้นแหละใจมันจะยอมรับเมื่อใจยอมรับมันก็เกิดความไม่ทุกข์แล้วอันนี้คือการภาวนาเพื่อเพื่อตรงนี้นะเราไม่ใช่ภาวนาเพื่อเพื่อจะให้ภาลมดีตล อ, อดนะใช่บางคนภาวนาแล้ววันนี้เพลิน คือตัวดีไม่ค่อยฟุ้สซ่านไม่ค่อยหมุนจิตนะก็เกิดความพอใจแต่สักพักเจอสิ่งกระทบขึ้นมาอะเผิดไปโกรธนะเผลอไปไม่พอใจเลยลไม่ชอบเลยนะบางทีไม่ชอบทั้งที่ตัวเองเผิดไปโกรธเขาไม่ชอบที่เขามาทําให้ตัวเองโกรธนะแต่จริงถ้าเราเห็นว่าไอ้ที่มันสบายที่มันสงบเมื่อสนะักพู่เน่ย มันก็เป็นเพียงแค่อาการศชั่วขณะหนึ่งนะอืมอธิโกรธเมื่อสักครู่นี้ก็เป็นเพียงแค่อารมณ์ชั่วขณะแต่ตอนนี้เราไปรู้สึกผิดรู้สึกไม่ชอบนะให้ปลับมารู้ทันตรนนี้แหละนะมันก็เป็นเพียงแค่อารมณ์หนึ่งอาการหนึ่งที่มันแสดงเฉใจนะนับปฏิบัติจริงๆนะไม่เอานะทั้งบวนทัรงลบนะวันนี้ปฏิบัติดีก็ว่างอวันนี้ปฏิบัติไม่ดีก็ว่าง น, นะ รู้ใหม่ไปเรื่อยๆนะรู้ใหม่ไปเรื่อยๆกนะารปฏิบัติแบบนี้พวกตรงๆนะอาจจะไม่มีอารมณ์วานะอารจะรสติอาจจะไม่อยูวานะไม่มีนิมิตไม่สงบนิ่ง่นะเกิดนิมิตนะไม่ตัวเบาตัวลอยนะไม่ไปรู้เห็นนระกสวรรค์อะไรพิศเพศษวิมานอะไรนะนะบางกีได้ทำแบบสมาธินะ อาจจะเห็นรู้เรื่องทวกนั้นบ้านแต่การภาวนาแบบเนี้บางคนก็เลยมาโกรธมาตำหนิว่ามันมันน่าเบื่อมันน่าเบื่อมันก็แค่รู้กับหลงอนะนะเดียเด๋ยวก็เพนะ่งเดี๋ยวก็เผลอเดี๋ยวก็คอยจีนมันมันแค่นี้แหละมันะมก็บอกจีนมันคอยแค่นี้แหลนะะถ้าแค่ตอนนี้เนาะเราก็ยังวางใจวีถูกกับ แค บ, บเอแคบปิ้งนะรู้กับหลงแก่นนะั้นเราก็ยังเบื่อมันอันนี้ก็คืออรากติดารมณ์มันให้อารมณ์ที่มันดีๆเป็นความสุขเป็นความสงบเป็นความรู้เป็นนิมิตอะไรต่างๆ ม, มันยิ่งชวนให้หลงมากกว่าเราชวนให้เราติดใจชวนให้หลงไรลนะไม่อยากออกมัานะที่มันพิเศษที่มันพิศดารนนะั่นแหละยิ่งชวนให้นะติดมันมากขึ้นเรื่อยๆ แต่การเจริญสติเป็นหลักเนี่ยมันก็อาจจะไม่มือหวานนะแต่ไปได้เรื่อยๆนะเราจะผ่านไปเรื่อยๆกันนนะี้แหละผ่านไปอารมณ์อะไรเกิดขึ้นมานะก็รู้มันไปหมดเลยนะรู้ไปหมดนะแต่ที่จริงมันก็ไม่ใช่ขนาดหน้าเบื่ออกนะเมื่อเราทําไปเรื่อยๆนะ่ะมันก็คล้ายๆมันจะเกิดความปลอบใจนะเกิดความสนุกเกิดความเพลิน แต่ไม่ใ่สนุกสนานแต่ก็ทําไปเรื่อยๆบ้างเมื่อไรก็ทำนะแรกๆอาจจะ ย, ยังไม่ไม่ติดปกติใจยังไม่ขยันก็แต่ก็ทําเหตุไปเรนะืเ่อยๆนะหลวงพ่เตียนที่จะบอกให้เราอย่าวิวนิ่งๆนะว่างเมื่อไหร ก, ก็เลื่อนกะ็ขยันไ้เรื่อนนะอาวีวัฒอะไรก็ได้ไม่ใช่เคลื่อนมือพอเป็นพิธีนะแต่เคลื่อนไปให้ใจรู้สึกไปด้วย ทำอะไรก็รู้สึกไป็นหวยนะหรือว่าเราทำการทํางานอย่า ง, งนะอื่นนะแล้วเรื่องใเมื่อไหร่ก็กลับมาดูนะกลับมาดูตัวเองกลับไปเห็นตัวเองนะแต่มันต้องแบบขนาดสกแกนดูนะไม่ต้องสกแกนดูว่านวะ่า ต, ตอนนี้อารมณ์มันเป็นอะไรนะหรือว่าความรู้สึกละเอียดระเอียด เ, เป็นแบบไหนบนะางครั้งไม่ต้องไปเอาลายละเอียด น, นะมันร้อนขนาดไหนมันเยนขนาดไหนอะ่า หายใจเป็นจังหวะอย่างไรกันเนะไม่ต้องไปเอารายละเอียดรู้เป็นแบบจัอย่างไปรู้แบบไปนี้เมื่อใดถึงมันไปนี่คือเมื่อไรที่เราจะเลื่อนได้ให้กลับมารู้ตัวะแต่ทํามอะไรก็ได้แต่จะเลื่อนได้เมื่อไรกลับมารู้ตัวหรือว่าเมื่อจิตมันโฉบออกนอกจิตมันปรุงแต่งเมื่อไรให้รู้ทันมันรู้ทันมันแล้วก็ไม่ต้องตีไม่ต้องไปวิเคราะห์วิจารณนะ บางทีนักภาวานาบางทีแต่เผลอเผลอไปวิจารณ์เผลอไปวิเคราะห์เผลอไปเรียกว่าเอาเหตุเอาผลนะเอาถูกเอาผิดท ำ, นนนนทำไมวันนี้ถึงอุดหนุนทำไมวันนี้ถึงฟุ้งซ้างทําไมวันนี้ถึงมันเบื่ออะไรนะคิดลงไปคิดวิเคราะห์นะมันเกิดจากเหตุอะไรนะทําไมถึงเกิดผลแบบนี้ อันนี้ก็บางทีถ้าเราใช้ความคิดมากเกินไปนะมันไม่ได้ใช้ใจที่รู้เฉยๆเนี่ยใช้สมองนะใช้สมองมากไปการภาวนาเนี่ยใช้สมองให้น้อยใช้ความรู้สึกที่เป็นใจที่เป็นตายเนี่ยให้มากนะตายเนี่ยมันมีการเคลื่อนมันมีการกระทบเนี่ยมันเกิดความรู้สึกได้นะ ใจมันรับรู้มาสังเกตได้นะใช้ความคิดใช้คิดดีใช้เหตุที่ผลให้มัน น, น้อยหรือว่าไม่ใช้เลยก็ได้นะที่จริงการรู้เฉยๆเนี่ยไม่ต้องใช้อะไรที่เป็นเรื่องของสมมุติเลยนะมันทีสมมติท้มมทงโลกเนี่ยมันชวนให้เราโลภเล็กมากมายหลวงว่าเทียนท่านเคยตอนทางที่มันมนัดทางที่มันตรงเ คือทางที่เกี่ยวข้องกับสมมติให้น้อยที่สุด อ, อย่างเราปฏิบัติเนี่ยไม่เอาคำวอริคัมไม่เอาคำพูดในใจเพื่อตัดสมมติตรงนั้นไม่ต้องไปยกมือก็ไม่ต้องไปงกําปับนับหนึ่งสองสามสีไม่ต้องพูดซ้ายขวาไม่ต้องพูดท่านนั้นท่านนี้หรือไม่ใช้ตาการหองจิตถ้ารู้จิยเฉยไม่ต้องไปไม่ต้องไปใส่สมมติว่าอันนี้เรียกว่าโกดอันนี้เรียกว่า รักเรยกประชังอันนี้เรียกว่าอะไรนะไม่ต้องไปใส่เลยนี่ยิ่งดีใหญ่เลยนะมองเป็นเหมือนเป็นอาการที่้ชาธรรมดาไม่ต้องไปไม่ต้องไปใส่นะว่าอันนี้เป็นกุศลอกุศลอะไรต่างๆนะอันนี้ถ้าถ้าเราทําได้แบบนี้นะมันจะรู้ไปเปลี่ยนเปลี่ยนแค่อาการเห็นการตื่นขึ้นตั้งอยู่แต่ไปนะของมัน อันนี้ถ้าสติมันดีใจเป็นกางเนี่ยมันจะเห็นเป็นแบนนั้อเห็นเป็นแร็คแร็คแบมแบมนะไม่รู้ว่าเนี่ยว่าหลอมอะไรอลับนะแค่แร็คไปเห็นกิ่นมันไห่ไปเห็นตายก็เคลื่อนไหวไปตัดไ้ว่ามันเคลื่อนไหวไม่ได้กําหนดว่าเป็นเท้าเป็นมือเป็นอะไรต่างๆนะแต่บางทีมันเขรู้เวลาพูดเป็นสมมติเะลาคนถานก็พูดเป็นสมมติ แต่ตอนรู้จริงๆมันรู้เป็นวิมุติรู้เป็นแบบไม่ต้องไปบัญญัติกันอยางอะไรเนี่ยยิ่งยิ่งดีในใจนะแต่ถ้าใหม่ๆบางทีก็อาจจะมีนะมีภาคนะมีภาคในใจนะบางทีคนทำในวันนี้ก็ภาคนะภาคว่าเราเดินภาคระายกมืออย่างนั้นอย่างนี้นะภาคว่าคิดภาคว่าอะไรต่างๆนะก็ มันพากันนะอย่าไปพากันต่อนะบางทีบางทีเรามันพูดในใจของมันเองนะมันคิดของมันเองนะเราก็ไม่ต้องไปไปพยายามเอาเหตุกัรณ์มันมันพูดพอก็จบปล่อยให้มันพูดข้างเดียวอย่าไปพูดกับมันต่อนะบางทีมันจะเกิดคำถามนะบางทีความสนสัยค่อยเด็ถามตัวเองก็ต้องอย่าหาคำตอบของตัวเองนะมัน ถามเองตอบเองนะจริงคําถามก็คือมันมาล่าให้เราพูดนั่นแหละนะมาล่อให้เราคิดในใจนั่นแหละนะทุกอารมณ์นั่ะมันมาได้ใครมาแย่มันมาตอกให้เราลงไปกับมันถนะ้าเราเห็นติดติ่งแค่อารมณ์เนะี่ยคำถามก็ถามไปก็เฉยๆไปนะเดี๋ยวก็จะเห็นว่าไอ้ความสงสันั้นก็ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนมันก็เปลี่ยนไปเรนะื่อยๆเปลี่ยนไปเรื่อยๆของมัน มันเป็นเพียงแค่มาหลอกร่อให้หลงใจเนาะเนะนะนะดูมันเป็นแบบนั้นนะนะเราจะเคลื่อนไหวอะไรก็แล้วแต่ที่จริงการเคลื่อนไหวเป็นเพียงแค่อุบายนะอุบายให้จิตมันมีเครื่องอยู่นะการเคลื่อนไหวร่างกายเนี่เป็นอุบายให้ดึงจิตกลับมาจากความคิดดึงจิตออกมาจากการที่เพลินไปกับสิ่งรอบตัวหรือดึงจิตกลับมาอยู่กับปัจจุบัน ก็บจิตมันเดไปคิดอดีตไปคิดอนาคตรหรือไปคิดสิ่งรอบข้างการเคลืไหวคือการดึงจิตกลับมาอยู่กัสิ่งนี้นะเมื่อดึงจิตอยู่กับสิ่นี้มันจะเห็นปรปากฏการที่แทรกเข้ามานะในกายเช่นะนเวทนาของกายเขาก็จะเห็นแทรกเข้ามานะเห็นนะเห็นเป็นแค่เวทนาของกายไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตน ไม่ใช่สัตบุคคลตัวต น, นเราเขานะเห็นความคิดเห็นความรู้สึกเห็นจิตเห็นใจนะเห็นว่ามันเป็นเพียงแค่อารมณ์หนึ่งเมื่อกี้จิตยังปกติเลยความคิดมันแทรกเข้ามาอ๋อมันไม่คิดตัวไม่แยกตนเนาะบังคับก็ไม่ได้ไม่ได้ตันใจจะคิดก็เผลอมาคิดเนาะเนี่ยเห็นปุ๊บมันเป็นอนิจจังทุงาาากฝันนั้นตาเหมันแบบนี้ครับะนี่ยเราก็ดู ดูสังเกตไปเรื่อยๆดูแบบเนี้ ย, ยบ่อยๆนะดูด้แรกมันก็ยังมันก็เห็นอยู่นะบางคนเพราะว่าก็เห็นนะะเห็นเกิดขึ้นตั้งอยู่กับไปนะเห็นความเปลี่ยนแปลงของมันไปแต่เข้ามาใส่เห็นบ่อยๆนี่แหละนะนะเห็นแรกๆนะมันเป็นความรู้ที่ที่มันยังเกิดคล้ายๆมันยังไม่ใช่อีก แต่พันไม่จิตมันเปลี่ยนโดยทันทีหรอกนะแต่ต้องเห็นบ่อยๆเรียนบ่อยๆกระัจิตมันยอมรับความจริงมันนี้แหะนะมันค่อยเกิดความค่อยใจจิตใจค่อยเปลี่ยนต้องมาใส่เห็นจนมันชันนิชันนานคล้ใครเหมือนกับเราก็หลงบางทีเราก็หลงเราก็ว่าเราจะจำเนอะแต่มันก็ไม่เข็ดสักทีใช่ไหมเรื่องไหนที่มันทุกข์นะเรื่องไหนที่มันเป็นความทุกก็รู้นะให้มัน มันไม่ดีนะรู้ว่ามันทุกข์แต่ก็ไม่เข็ดีสตนะิยังเผอเป็นกทีเลยแม่ต้องให้สติมันเห็นบ่อยๆนะแต่ก็ไม่ต้องไปกังวลนะให้มองมือนว่าไอ้ความหลงความทุกข์อะไรต่างๆมันก็ถูกของเขาแล้วมันก็เป็นเรื่องที่เป็นเรื่องเรื่องของกิเลสเขาก็ทํางานของเขา อย่าไปโกรธอย่าไปเกลียดอย่าไปบังคับเขานะมองมเป็นเหมือนเหมืนเป็นเพียงแค่อาตาอย่างหนึ่งหน้านะที่เราเนะี่ยตั้งสตินะตัวสตินี่แหละมันอ่อนตัวสติเนี่แหละมันยังมีไม่มากเพราะที่เราคือสร้างสติสร้างความรู้ตัวนะให้เยอะเมื่อไรที่เรารู้ตัวความหลงนะความลืมตัวก็ลดน้อยลงไป เหมือนกับกางคืนมันก็ย้องมืดธรรมดาหน้าที่เราคือเปิดไฟนะฮหรือว่าจุดเทียนนะให้ความสบายมันเป็นแทนที่ความมืดเอจิตก็เหมือนกันนะจิตมันรับรู้อารมณ์กี่กีรยาจิตเนี่ยมันแค่เองแต่ว่ามันต่อเนื่องกันที่กันมากนะเมื่อกี้ยังรู้ตัวอยู่ดีแว๊บหนึ่งก็ตุ่มลัด คิดนะนะอันนี้คือจิตเรารู้เอาบนสติทุกอ่กดอาดังนั้นไม่มีอะไรมากไปกว่าแค่ทำตัวรู้ให้มันก่อเ น, นื่ทำตัวรู้ให้มันมากนะเท่าที่มันทำไดนะ้นะตอนไหนมันเผลอไปก็ชั่งเหมามันก็รู้ใหม่นะเรามีสิงที่จะรู้ทุกขณะใหม่นะเราวิสิ ต, ตอง น, นี้นะให้เราพยายาม ใช่ติดตรงนี้แหละนะอันนี้หละเรียกว่าเป็นความเพียนครับความเพียนไม่ใช่เพียงแค่เราเพียนตัางจังหวะหรือเราเดินจมปมแต่เพียนที่แท้จริงคือเพียนกลับมารู้สึกตัวนะเพียนกลับมารู้นะสร้างกายที่เกลื่อนไหวเพียนกลับมารู้ทันนะจิตนะรู้ทันใจเพียนกลับมาไม่ให้ อกุศลหรือว่ากิเลสมันครอบันจิตครอบงนใจนี่แหละนี่แหละคิดความเพียรเนะแต่ทำอะไรก็แล้วแต่ทําเนี่ยหน้าที่เราคือทําเหตุตัวจักยพรรดิสอนเน่ะอริมารีองแปดคือทางสายตามคือเหตนะุที่เราต้องทํนะทาำทํทาไปเยอนะๆทำไปเยอะๆวิปัสสนาญาณญนะาณปัญญาเนะี่ยมันจะค่อยๆย ควาปวดนะเป็นขั้นเป็นตอนวิปัสสนาญาณที่มันจะเห็นจะค่อยๆแยกได้ระหว่างรูปนามเป็นแบบไหนอร่างกายจิตใจเแบบไหนมันจะค่อยๆแยกไปแยกไประหว่างอันไหนเป็นความทุกข์ของรูปอันไหนเป็นความทุกข์ของนามอันไหนเป็นโลกของรูปอันไหนเป็นโลกของนามอะไรเป็นสมมติอะไรเป็นบัญญัติ อะไรมันเป็นความไม่เทีย่ยงอ่านะอะไรเป็นความไม่ใช่ตัวตนมันก็จะค่อยๆเห็นไปเรื่อยๆนะไม่ได้เกิดย า, ปญญานะยาปัญญานะยานปัญญาเนี่ยมันจะขนส่งนะจิตวิญญาณไปสู่ความไม่ทุกข์นะจนะิตวิญญาณจะไปสู่ความไม่ทุกข์ต้องอาศัยยานปัญญานะนะนะไม่ใช่อาศัยนะชาญจากสมาธินะอวามสมบจากสมาธิ ก็ได้แค่สงบชั่วคราวแต่ยานปัญญาเนี่ยได้ตัวความรู้ความเข้าใจนะอะไรมันค้นได้ก็ค้นไปเลยนะค้นไปเลยเนี่ยเราต้องค่อยค่อยฝึกไปเนาะนะอาศัยความนะตั้งันอาศัยความอดเนื้อนะมันทําไม่ยากนะวิธีฝึกตั้งใเนี่ยทําไม่ยากแต่หาคนที่ทําจริงยันจังหายาก <c oughs> อะไรมาปุ้ยอย่างนี้นะ สอนมาหลายเทียนะบางทีคําถามวนเวียนที่ตอบอะขี้เกียจทําอทําไงเบือ่อทํายังไงะพ่วงนอนทํายังไงอะไรนะคาถามว น, นเวียนตอนไหนตระหนักก็ตั้งใจทําตอนไหนที่เกียจก็ลืมไปบางทีเจอนะษษษปฏิ บ, บัติได้ษษษษไหมกลับไปยูบ้านได้ปฏิบัติไหมไม่ได้ปฏิบัติขาดอะไรนะ แต่ก็คีดเกลียดสอนเหมือนกันนะเพราะว่าตอนไปแล้วนะก็ไม่ไปทําต่อนะมันก็ไม่เกิดผลนะมันมันเป็นเหมือนคล้ายๆเหมือนครูเนาะให้การบ้านไปแล้วเด็กไม่ทําการบ้านเนะีนะ่ยให้ไปอ่านข้อสอบเออให้ไปอ่านเตรียมตัวนะเดี๋ยวจะสอนต่อไม่ไปทําการบนะ้านด้วยตัวเองไม่ไปเตรียมตัวเนะี่ยครูแทนที่จะพาเที้ยวให้มันก้ามหน้านะ่ะมันก็ มาย้ำที่เดิมที่เดิมมาตัวนที่เดิมนะแต่ที่จะสอนบทใหม่ต้องมาสอนวิธีทําการบ้านนะก็เลยในภาพหน้าเป็นะนักภาวนาแบบนี้แหละนะนะบางทีไม่ขยันนะไม่มีความเพียรไม่รับผิดชอบตัวเองนะจะให้แต่ครูบาอาจารย์พาพาทำนะให้ทำเป็นในเวลาข อ, อนอกเวลาก็ไม่ดูแลตัวเองนะ แจ่เป็นนักภาวนาที่ที่ขี้เกียจที่คานนักมันก็จะไม่ค่อยถึงผลนะพวกเราเองก็ต้องถ้าใครถ้าใครอยากจะคล้ายค้นจากความทุกข์นักก็ต้องขยันก็มีความเพียรนะถ้าเราเห็นแล้วว่าชีวิตนี้มันเป็นทุกข์ชีวิตนี้มันก็วนเวียนกับเรื่องเดิมเอาสาระอะไรไม่ได้อีกแบบชีวิตนี้นะ เรจะทำไงให้ชีวิตมันมันพอถึงความสุขความสงบจริงๆน่ะนะก็ต้องฝึกตัวเองนะเยอะๆนะอย่าไปคิดแต่ว่าตอนนี้มันทุกข์ก็หาทางแก้ทุกข์นะตอนไหนสุขก็ลืมลืมธรรมะลืมความเพียนไปมันก็จะไม่ค่อยเกิดไปอโยชน์เท่าไหร่นะอย่าใช้ธรรมะเป็นเหมือนแค่เหมือนยาพาราแก้ปวดนะเมื่อไรปวดหัวเมื่อไรไม่สบาย ก็ค่อย ไ, ไปหาหมอค่อยกินยาแต่ีจริงธรรมะนะ่ะมันเหมือนการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมมันต้องทําตลอดนะทําตลอดทุกขณะนะดูแลการกินดูแลการนอนดูแลการออกกําลังกายนะเป็นการดูแบบองค์รวมนะมันเป็นการป้องกันนะป้อง ก, กันโรคภัยแทรเจ็บนะอันนี้ ยกตัวอย่างสุขภาพภายนอกเป็นการดูแลแบบนั้นนะแต่จริงทํำไมจริงเน้นการดูแลองค์รวมภายในใจของเราเนียแหละนะตอนไหนมันทุกไม่มากก็ไนมะ่กลับมาตอนไหนที่มันมีความทุกมีปัญหาก็มาก็แก้ได้นะก็บรรเทาได้นะมันต้องทำาบบนี้ไปเรื่อยๆนะคนอื่นไม่ทะยันเปลอขี้เกียจก็ไม่เอาเขาเป็นข้ออ้างนะนะ บางทีนักปฏิบัติก็ก็อ้างว่าอืมก็ทําไมคนอื่นเขาก็ยังอยู่ได้คนอื่นก็ยังไม่ขยันคนอื่นก็ยังมีนั่นมีนี่เราจะไม่เอาเขาเป็ข้ออ้างเ่ยนะเราจะรู้ว่าหน้าที่เราคืออะไรนะสิ่งที่เราต้องใจทําคืออะไรนะคนอื่นเขาโกรธก็เรื่องของเขาคนอื่นเขาทุกข์ก็เรื่องของเขาคนเขาโง่ก็เรืของเขาไม่เอาเอามาไปมาเป็นข้ออ้างนะ แมวตัวเราเป็นข้ออ้างเลยนะขอปว น, นิดนึงะขอขี้เกียดนิดนึงออ่ า, อาขอพักผ่อนตั้งหน่อยอนะจะไม่มีแบบนะั้นะทำควาความเพียรแม้ภายนอกอาจจะดูเหมือนพักผ่อนแต่ภายในใจเนะี่ยยังรู้สึกะไปเรื่อยอรู้กายรู้ใจไปเรื่อยแม้ภายนอกเหมือนอยู่กับความคมแบบเรียว่าไม่แตกแยกนะ ก็อย่าไแปแตกแยกนะเวลาเราอยู่กับลูกอยูกับสามีอยู่กับเพื่อนร่วมงนานเขาเขาจะพูดเขาพูดไปเขาจะอะไรก็อะไรไปแต่เราคอยสังเกตหรือทันตหรือทันใจของเรานะเวลาเขาพูดนิง่งพาพารู้สึกอย่างไรนะเวลาเขาพูดเพอเจอ้อตู้สนุกสนานจิตเป็นแบบไหนอะไรนะีะเวลาเขาพูดเรื่องไม่มีสาระพูดนั่นพูดนี่ ใจนะเป็นแบบไหนนะ่ะคอยรู้ทันนะเราไม่ห้ามคําพูดไม่ห้ามความคิดของคนอื่นแต่เราจะกลับมาดูตัวเองนะ่ะทาแบบเนี้มันจะอยู่คำโลกได้แบบไม่แตกแยกนะแต่เราก็จะไม่หลมสตินะ่ะไม่ดึงธรรมะนะไม่ทิ้งธรรมะนะ่ะเพราท่านปฏิบัติจริงๆอนะ่ะมันจะไม่แยกไม่แยกโลกไม่แยกธรรมนะ มันจะรู้สึกว่ามันทํำมาเนี่ยก็ออกไปทำอยู่ทุกขณนะจะอยู่พคนเดียมก็ทำจะอยู่บคนอื่นก็ทำนะจะทําในรูปแบบก็ทำจะอยู่นอกรูปแบบก็ทำนะี่มันทําได้เรื่อยๆเลยนะเพราะอะไรร่างกายก็มีการเคลื่อนไหวตลอดเวลาก็สามารถรู้สึกได้นะเพรที่มาดูได้ หรือจิตใจเองกนะ็เหมือนกันนะเกิดความสุขเกิดความฟุ้งเกิดความเฉยหรือฟุ้งซ่านหรือว่าไม่คิดนะมันก็เกิดตลอดเวลามันรู้ได้ตลอดเลยนะนะก็ให้พวกเราได้พยานาเนาะต่วใหญ่พวกเราที่นี่ก็หลายท่านหลายคนก็เคยปฏิบัติมนอยู่แล้วนะก็ตั้งใจมามาทำความเพียรให้มันต่อเนื่องขึ้นนะก็ให้พวกเรา ทุกท่านเนาะไปลองไปพั้นใจทำตามความปั้นใจของเรานะเดี๋ยวเพือี้เกียดที่ข้านะเดี๋ยือไปปรับความคิดนะให้เราค่อยเจ็บเกี่ยวนะประสบการณ์ตรง น, นี้แหละนะลองผิดลองถูกกลันะบมารู้ตัวให้มันได้ยนะอ่งขเท่าที่เราทำได้เกิดนะรู้ใหม่ก็าลองเปิดใจเรียนรู้ดนะูชีวิตเราหล่มามากแล้ว <c oughs> ชีวิตเราเหลื อ, อกินไม่มากแล้วน ะ, ะต้องเกิดเองแบบนี้นะเราทำอย่างอื่นมามากแล้วน ะ, ะแต่เรื่องจิตเรื่องใจเรื่องสติอสมาธิปัญญาเนี่ยเรายังไม่เคยฝึกไม่เคยทําเลยนะอะมาลองทําดูนะชีวิตจะได้ไม่เสียชาติเกิดเนาะเพอาะประปากไวนะ้ส่วนไทยยังไม่เคยฝึกไม่เคยปฏิบัติพลา ก็ดเชิญมาข้างหน้าเนาะเป็นคนที่เคยเปิดเคยปฏิบัติแล้วก็ใช้ชวาาิชฌณเวียร์นี้มาเอาปฏิบัติกันจะใช้ข้างราบก็ได้หใช้ขั้งบนก็ได้ตัดสองทุ่มนะไปไปกลับมาตรงกันอีกทน